หนึ่งจิตตุปาทกรรกุศลบทกามาวจรกุศลจิตกุศลจิตดวงที่หนึ่งหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉไหนจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศละสหรตรด้วยโสมนัสสัมปยุทธ์ด้วยญาณมีรูปเป็นอารมมีเสียงเป็นอารมมีกลิ่นเป็นอารมมีรสเป็นอารมมีโพธพะเป็นอารมณ์ มีทรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารปีติสุขเอกะขะตาสัตทินรีวิริยินสีสตินรีสมาธินรีปัญญินรีมนินสีโสมณั ส, สินสีชีวิตินรีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัทธาภิริยภะรัสติภะรัสสมาธิภะรัปัญญาภะรัสหิริภะรัโอตตะปะภะรัสอโลภะอโทสะอโมหะอนัพิชาอัพยาบาทสัมมาทิฏฐิหิริโอตตะปะกายปัสสติจิตตปัสสติ กายละหุตาจิตละหุตากายมุทุตาจิตตามุทุตากายกามัญญตาจิตตากามัญญตากายปาคุณญาตาจิตปาคุณญาตากายุชุกตาจิตตุชุกตาสติสัมปทญญะสมถวิปัสนาปะคาหะและอวิเขปะก็เกิดขึ้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเอีงอยงใจกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลบทภาชนี 2. อผัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าผัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสามเวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความสำราญทางใจความสุขทางใจอันเกิดแต่สัมผัสแห่งมโนวิญ ญ, ญาณธาตุที่เหมาะสมกัน ความเสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สํำราญเป็นสุขอันเกิดแต่ เ, โต เ, เ, เ, ตเจโตสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสสัญญาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนความจําได้กิริยาที่จําได้ภาวะที่จําได้อันเกิดแต่สัมผัสแห่งมโนวิญ ญ, ญาณธาติเหมาะสมกัน ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัญญาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นห้าเจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉไความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจอันเกิดแต่สัมผัสแห่งมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหกจิตที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนจิตมโนมานัทไย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 นี้ชื่อว่าวิตกที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น8วิจารณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนความตรองความพิจารณาความตามพิจารณาความเข้าไปพิจารณาความที่จิตสืบต่ออารมณ์ความที่จิตเพ่งอารมณ์ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิจารณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น9ปีติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไน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 กิริยาสเสวยอารมณ์ที่สํำราญเป็นสุกันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นนี่ชื่อว่าสุขที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสิบเอ็ดเอกะขะตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนความตั้งอยู่แห่งจิตความดํารงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ทัดสายความไม่ฟุ้งซ่านความที่จิตไม่ทัดสายสมถะสมาธิสีสมาธิภะระสัมมาสมาธิในสมัยนั้น นี้ชื eh ่อว่าเอกกัคตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 12. สัตทินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนความเชื่อกริยาที่เชื่อความปรองใจเชื่อความเลื่อมใสยิ่งสัทธาสัตทินสีสัทธาภละในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัตทินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 13. วิริยินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนการปรารบความเพียรทางใจ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 14สี่สตินสี่ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนสติความตามระลึกความหวนระลึกสติกิริยาที่ระลึกความทรงจําความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินสี่สติพละสัมมาสติในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสตินสี่ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสิบหสมาธินสี่ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหน ความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ซัดสายความไม่พุ้งซ่านความที่จิตไม่ซัดสายสมถะสมาธินสีสมาธิพละสัมมาสมาธิในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสมาธินีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น16ปัญญินีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนปัญญากริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรม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 ความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าปัญญินรีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น1ิ 17. มนินรีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนจิตมนโนมานัตถาไทยบันดระมนโนมนายตนะมนินสีวิญญาณวิญญาณขันมนโนวิญญาณธาต ที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามานณีสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 18. โสมนัสสินรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความสําราญทางใจความสุขทางใจความเสเวย อ, อารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้น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 การปรารบความเพียรทางใจความขมักเข่นความบากบั่นความขวนขวายความพยายามความอุตสาหะความทนทานความเข้มแข็งความมั่นความมุ่งมั่นอย่างไม่ทอดถอยความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งทุระความเอาใจใส่ทุระวิริยะวิริยินศีวิริยะทละสัมมาวายามะในสมัยนั้น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 สสมาสมาธิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนความตั้งอยู่แห่งจิตความดารงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ชัดายความไม่ฟุ้งซ่านความที่จิตไม่ชัดาสสมถะสมาธินีสมาธิพละ ส, สัมมาสมาธิในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัมมาสมาธิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นยี่สิห้าศรัทธาภละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไน ความเชื่อกริยาที่เชื่อความปรองใจเชื่อความเลื่อมใสยิ่งศรัทธาสัตทินสีศรัทธาภละในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าศรัทธาภละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น26วิริยะภละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนัยการปรารบความเพียรทางใจความขมขมเม่นความบากบั่นความขวนขวายความพยายามความอุตสาหะความทนทานความเข้มแข็งความมั่น ความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอยความไม่ทอดทิ้งชนทะความไม่ทอดทิ้งธุระความเอาใจใส่ธุระวิริยะวิริยนินทรีวิริยะพละสัมมาวายาในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิริยะภะละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 27. สสติระละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนสติความตามระลึกความหวนระลึกสติกิริยาที่ระลึกความทรงจํา ความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินสีสติพละสัมมาสติในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสติพละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 28. สมาธิะละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ทัดายความไม่ฟุ้งซ่านความที่จิตไม่ทัดายสมถะสมาธินสสมาธิภละ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 ความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสั ม, มาทิฏฐิในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าปัญญาภะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสามสิบฮิริภะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนะกิริยาที่ละอายต่อการประพฤติทุจริตนั้นเป็นสิ่งที่ควรละอายกิริยาที่ละอายต่อการประกอบสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปในสมัยนั้น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 ความไม่คิดประทุตร้ายกิริยาที่ไม่คิดประทุตร้ายภาวะที่ไม่คิดประทุตร้ายความไม่พยาบามความไม่คิดเบียดเบียนกูสุลมูลคืออโทสัตในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอโทสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น34มสอโมหะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความวิ จ, จัยความเลือกสรร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 ปัญญาเหมือนปราสาทความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิกุศลมูลืออโมหะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอโมหะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสามสิบห้าอนัพิ ช, ชาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนความไม่โลภกิกริยาที่ไม่โลภภาวะที่ไม่โลภ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 ความไม่คิดเบียดเบียนกุศลมูลคืออโทสะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอัพยาบาทที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 37. สัมมาทิฐิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนปัญญากริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยทําความกําหนดหมายความเข้าไปกําหนดความเข้าไปกําหนดเฉพาะภาวะที่รู้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 ปัญญาเหมือนประที่ปัญญาเหมือนดวงแก้ความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในสมัยนั้นนี่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสามิฮิวริที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นชไหนกิริยาที่ละอายต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรละอายกิริยาที่ละอายต่อการประกอบสภาวธรรม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 ในสมัยนั้นนี่ชื่อว่าโอตตะปะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น40กายปัตสัตติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนความสงบความสงบประงับกริกรยาที่สงบกริยาที่สงบประงับภาวะที่สงบประงับแห่งเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันในสมัยนั้นนี่ชื่อว่ากายปัตสัตติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 4 1จิตตปัสสติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนความสงบความสงบประงับกิริยาที่สงบกิริยาที่สงบประงับภาวะที่สงบประงับแห่งวิญ ญ, ญาณขันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตตปัสสิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น42กายระหูตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนความเบาความรวดเร็วความไม่เชื่องช้า ความไม่หนักแห่งเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ากายระหุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น43่ิบสาจิตระหุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉไรความเบาความรวดเร็วความไม่เชื่องช้าความไม่หนักแห่งวิญญาณขันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตระหุตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น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 ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้ น, น47จิตกรรมัญญตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนความควรแก่การงานกิริยาที่ควรแก่การงานภาวะที่ควรแก่การงานแห่งวิญญาณขันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตตกรรมัญญตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น48กายปาคุญญตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนความคล่องแคล่ว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 น้ชื่อว่าจิตตปาคุณยตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นห0กายุทุกตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความตรงกริยาที่ตรงความไม่คดความไม่โค้งความไม่งอแห่งเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ากนนายุทุกตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น51จิตตุจุกตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไ น, น ความตรงกิริยาที่ตรงความไม่คดความไม่โคง้งความไม่งอแห่งวิญญาณขันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตตุชุกตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 52. สติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนะันนสติความตามระลึกความหวนระลึกสติกิริยาที่ระลึกความทรงจําความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติ สตินสีสติภะละสัมมาสติในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 53. สิมสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนะปัญญากริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรมความกําหนดหมายความเข้าไปกําหนดความเข้าไปกําหนดเฉพาะ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 โกฏถาสวาดหาส5บขันสีอายตนะ 2, สองธาตุสองอาหารสามอินรีแปฌานมีองค์ห้ามักมีองค์ห้าะละเจ็ดเหตุสามผัสสะหนึ่งเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งเจตนาหนึ่งจิตหนึ่งเวทนาขันหนึ่งสัญญาขันหนึ่งสังขารขันหนึ่งวิญญาณขันหนึ่งมนายตนะหนึ่งมนินรีหนึ 1, ่งมโนวิญญาณธาตุหนึ่ง ธรรมายตนะหนึ่งและธรรมธาตุหนึ่งในสมัยนั้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลห้าขันสี่ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนะขันสี่คือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและบิญญาณขันหกสิ 60. เวทนาขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนะ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 นี้ชื่อว่าสัญญาขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 62. สสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนัยภัสเจตนาวิตกวิจารปีติเอกคตาสตินสีวิริยินสีสตินสีสมาทินสีปัญญินสีชีวิตินสีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ สัทธาภะวิริยะภะสติภะสมาธิภะปัญญาภะหิริภะโอตตะปะภะอโลภะอโทสะอโมหะอนภิชาอัพยาบาทสัมมาทิฏฐิหิริโอตตะปะกายปัสสติจิตตปัสสติกายละหุตาจิตระหุตากายมุทุตาจิตตมุทุตากายกรรมัญญตาจิตตกามัญญตากายปาคุณญตาจิตตปาคุณญาตา กายุชุกตาจิตตุชุกตาสติสัมปชัญญะสมถวิปัสนาปัจคาหะและอวิเคปะหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเองอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นเว้นเวทนาขันสัญญาขันและวิญญาณขันที่นี้ชื่อว่าสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น6กสวิญญาณขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนะ จิตมโนโมานทถไทยบรรดระมโนโมานายตนะมนินทร์สีวิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิญญาณขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าขันสี่ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 64. อายตนะสองที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนะันนอายตนะสองคือมานายตนะและธรรมายตนะ 65มนายตนะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนจิตมโนมานัฐทยัยปัณดาระมโนมนายทะนะมนินทร์วิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามนายทะนะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น66ธรรมายทะนะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขัน นี้ชื่อว่าธรรมายตนะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอายตนะสองที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น67เจธาตุสองที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนธาตุสองคือโมโนวิญญาณธาตุและธรรมธาตุหสมโนวิญ ญ, ญ, ญาณธาตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไ น, นจิตมโนมานัตถทัย ปันดรามโนมานายตนะมนินทร์สีวิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามโนวิญญาณธาตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น69ธรรมธาตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉันนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้ชื่อว่าธรรมธาตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธาตุสองที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 70. อาหารสามที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนอาหารสามคือผัสสอาหารมโนสัญเจตนาอ า, าหารและวิญญาณอาหาร7 1ผัสสอาหารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าผัสสอาหารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 72. บสมโนสัญเจตนาหารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนะความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามโนสัญเจตนาหารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 73. บสวิญญาณอาหารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนะจิตมโนมานัตหทยัย ปันดารมามโนโมานายตนะมนินทร์สีวิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิญญาณอาหารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอาหารสามที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น74อินทรีย์8ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนอินทรีย์8คือหนึ่งสัตตินทรีสองวิริยินทรี์ สสตินสีสสมาธินสีหปัญญินสีหมนินรียเจ็ดโสมนัสสินสี่แปชีวิตินรี่เจ็สัตทินรี่ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนัยความเชื่อกริยาที่เชื่อความปรองใจเชื่อความเลื่อมใจยิ่งศรัทธาสัตทินรีศรัทธาภละในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัตทินรียที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเจ็สบหก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 นี้ชื่อว่าวิริยินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น77็ดสิบเจ็ดสตินที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนัยสติความตามระลึกความหวนระลึกสติกิริยาที่ระลึกความทรงจําความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินสีสติภละสัมมาสติในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสตินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 78. สมาธินีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนะความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ทัดสายความไม่ฟุ้งซ่านความที่จิตไม่ทัดสายสมถะสมาธินีสมาธิพละสัมมาสมาธิในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสมาธินีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 79. ปัญญินีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนะ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 ปัญญาปัญญินทร์ปัญญาภละปัญญาเหมือนศัตตราปัญญาเหมือนปราศาสตความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าปัญญินทร์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น80ดสิบมณีทร์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนัยจิตมโนมานัตถ์ไทย ปันดาระมโนโมนายตนะมนินทร์สีวิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามานินทร์สีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น8ปดสิบเอโสมณตินทร์สีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนัยความสำราญทางใจความสุขทางใจความเสเวย อ, อารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิรยาเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นนี่ชื่อว่าโสมนัสตินซีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น8ปิบชีวิตตินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนยัยอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่ให้เป็นไปอาการที่สืบเนื่องกันความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิต ชีวิตินทรีสีแห่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเหล่านั้นนี้ชื่อว่าชีวิตินทรีสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอินทรแปดที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น83ดาฌานีองค์ห้าที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนัฌานมีองค์ห้าคือหนึ่งวิตกสองวิจารสามปีติ 4. สี่สุขหาเอกัคคตา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 นี้ชื่อว่าเอกคตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมนี้ชื่อว่าฌานมีองค์ห้าที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น89ดสิบมักมีองค์ห้าที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉะไหนมักมีองค์ห้าคือหนึ่งสัมมาทิฐิเห็นชอบ 2. สองสัมมาสังกัปปะดัมบริชอบ 3. สสัมมาวายามะเพียรชอบ 4. สสัมมาสติระลึกชอบ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 สมัมมาทิฏฐิในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสมันนสมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น91สัมมาสังกัปปะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์สมัมมาสังกัปปะในสมัยนั้น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 วิริยะวิริยินสีวิริยพละสัมมาวายามะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัมมาวายามะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 93. สสัมมาสติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้ น, มม เ, น, น, น, นเป็นฉไนสติความตามระลึกความหวนระลึกสติกิริยาที่ระลึกความทรงจำ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 สมาธิพละสัมมาสมาธิในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัมมาสมาธิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมนี้ชื่อว่ามรตมีองค์ห้าที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น95้าะละเจดที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนภะละเจคือหนึ่งศรัทธาภละสองวิริยพระพละสสติพะละสสมาธิพะละหปัญญาภะละ6หิบริภะละเจ็ด โอตตะ ป, ปะพล96สศรัทธาพละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความเชื่อกิริยาที่เชื่อความปรงใจเชื่อความเลื่อมใสยิ่งศรัทธาสัตตินีศรัทธาพลในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าศรัทธาพลที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น97วิริยะพละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนาการปรารบความเพียรทางใจความขมักขะเม่น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 98. สติพละที่เกิดขึ้นในสม<ท>ัยนั้นเป็นฉไนะสติความตามระลึกความหวนระลึกสติกิริยาทยี่ระลึกความทรงจำความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินสีสติพละสัมมาสติในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสติพละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น99สมาธิพละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไน ความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ทัดทายความไม่ฟุ้งซ่านความที่จิตไม่ทัดทายสมถะสมาธินสีสมาธิภละสัมมาสมาธิในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสมาธิภละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหนึ่งรอปัญญาภละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนัยปัญญากิริยาทยี่รู้ชัด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 ปัญญีสีปัญญาภะปัญญาเหมือนสัตราปัญญาเหมือนปราศาสต์ความสวา่ญญ า, สงสวางคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประที่ปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงม ง, งายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าปัญญาภ ะ, ะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหนึ่งรอยเอ็ดฮิวริภ ะ, ะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉน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 กิริยาที่เกรงกลัวต่อการประกอบสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าโอตต ป, ปะพละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าพละเจ็ดที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเหตุสามที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนเหตุสามคือหนึ่งอโลภะสองอโทสะสามอโมหะหนึ่งส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 ความไม่คิดประทุษร้ายกิริยาที่ไม่คิดประทุษร้ายภาวะที่ไม่คิดประทุษร้ายความไม่พยาบาทความไม่คิดเบียดเบียนกุสรมูลคืออโทสะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอโทสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น106อโมหะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉัไหน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 ความรู้ดีปัญญาเหมือนปัตักปัญญาปัญญินทร์ปัญญาภละปัญญาเหมือนสัตระปัญญาเหมือนปราศาสต์ความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประที่ปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิกุศลมูลคืออโมหะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอโมหะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุสามที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหนึ่งร้อยเจ็ดรรหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉไนความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าพรรษาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหนึ่งร้อยแปเวทนาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไน ความสำราญทางใจความสุขทางใจความเสเวย อ, อารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิเสเริยาเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเวทนาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น109าสัญญาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนไหน ความจำได้กิริยาที่จำได้ภาวะที่จำได้ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัญญาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหนึ่งร้อยสิบเจตนาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเจตนาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหนึ่งร้อยสิบเอ็ดจิตหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไน จิตมโนโมานัตหทัยปัณดรามะโนโมานายตนะมะนินทร์วิญญาณวิญญาณขันและมะโนโวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น112เวทนาขันหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนันความสํำราญทางใจความสุขทางใจความเสเวย อ, อารมณ์ที่สํำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาเสวยอารมณ์ที่สํำราญเป็นสุกอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเวทนาขันหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหนึสัญญาขันหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนัยความจําได้กิริยาที่จําได้ภาวะที่จําได้ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัญญาขันหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 114. สังขารขันหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนพัสสะเจตนาวิตกวิจารปีติเอกขตาสัตินสีวิริยินสีสตินสีสมาธินสีปัญญินรีชีวิตินสีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ สัทธาภะวิริยะภะสติภะสมาธิภะปัญญาภะหิบริภะโอตตะปะภะอโลภะอโทสะอโมหะอนัพิชาอัพพยาบาทสัมมาทิฏฐิหิริโอตตะปะกายปัตสัตถิจิตตปัสัตถิกายละหุตาจิตตะระหุตากายมุตุตาจิตตมุตุตา กายกรรมัญญาตาจิตรกรรมัญญตากายปากุญญาตาจิตปาคุญญาตากายยุจุกตาจิตยุจุกตาสติสัมปชัญญะสมถวิปัสนาปัคาหะและอวิเขปะหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นเวทนาขันสัญญาขันและบิญญาณขันนี้ชื่อว่าสังขารขันหนึ่ง ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหนึ่งร้อยสิบห้าวิญญาณขันหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนันจิตมโนมานทไทยัยปันดระมโนมานายตนะมนินสีวิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณธาติเหมาะสมกันในสมัยนั้นนี่ชื่อว่าวิญญาณขันหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหนึ่ง มนายตนะหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนจิตมโนโมานัตถาไทยบรระมโนมนายตนะมนินซีวิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามนายตนะหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหนึน่งร้อยินทร็ดีหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไน จิตมโนโมานัตฮะไทยบรรดระมโนโมานายตนะมนินทรีวิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณธาตที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามนินทรีหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหนึ่งร้มโนวิญญาณธาตุหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนะจิตมโนมานัต มโนวิ ญ, ญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามโนวิญญาณธาตุหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 119. ธรรมายตนะหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้ชื่อว่าธรรมายตนะหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น120ี่ธรรมธาตุหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไน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 สภาวธรรมที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันเหล่านี้ชื่อว่าสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 123. ขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันเหล่านี้ชื่อว่าขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหนึ อายตนะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนมณายตนะและธรรมายตนะเหล่านี้ชื่อว่าอายตนะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหนึ่งยสิบห้าธาตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนมโนวิญญาณธาตุและธรมรมธาตุเหล่านี้ชื่อว่าธาตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหนึ่งอยยีอาหารท in ี่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไน ผัสสาหารมโนสัญเจตนาอาหารและวิญญาณอาหารเหล่านี้ชื่อว่าอาหารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น1 2ึ่อินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนสัตตินทรีิริยินทรสตินทรียสมาทรียปัญญทรียมนิทรโสมนัสสินทรียและชีวิตทรียเหล่านี้ชื่อว่าอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น หนึ่งยยี่ฌานที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนวิตกวิจารณ์ปีติสุขและเอกคตานี้ชื่อว่าฌานที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหนึ่งรยสิบมรักที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนสัมมาทิฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินี้ชื่อว่ามรักที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น หนึ่งพละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนะสัทธาพละวิริยพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละหิริพละและโอตต ป, ปะพละเหล่านี้ชื่อว่าพละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นห3ึอเดเหตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนะอโลภะอโทสะอโมหะเหล่านี้ชื่อว่าเหตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 132่ 1> 1ผัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนะเป็นต้นละนี้ชื่อว่าผัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น133เวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนะนี้ชื่อว่าเวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น1 3ึ่สสัญญาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนนี้ชื่อว่าสัญญาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 135เจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนนี้ชื่อว่าเจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหนึจิตที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนนี้ชื่อว่าจิตที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหนึ่งเวทนาขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนนี้ชื่อว่าเวทนาขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น ห er นึสัญญาขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนนี้ชื่อว่าสัญญาขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหนึ่งร้สังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนนี้ชื่อว่าสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหนึ่งร้วิญญาณขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไหนนี้ชื่อว่าวิญญาณขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 14ึอมนายตนะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนนี้ชื่อว่ามนายตนะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหนึ่งร้อมนินทรียีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนนี้ชื่อว่ามนินทรียีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น143ามมโนวิญญาณธาตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนนี้ชื่อว่ามโนวิญญาณธาตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น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 ในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลกุศลจิตดวงที่สามสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนะจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุจจากยาน มีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารพอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นภัตสเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาสตินสีวิริยินสีสตินสีสมานมนินทรียโสมนัสจินสีชีวิตินทรียสัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัทธาภะริยภะรัตติภะรัสมาธิภะรัิริภะรอตตปาภะรโลภะอโทสะอนัพพิจาอัพยาบาทภีริโอตตปากายปัตสัทธิจิตตปัสสัทธิกายละหุตาจิตตะระหุตากายมุทุตาจิตตะมุทุตากายกรรมยตาจิตตกรรมญตากายปาคุณญตา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 ธรรมายตนะหนึ่งและธรรมาธาตุหนึ่งก็เกิดขึ้นในสมัยนั้นหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลหนึ่งร้สังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉ น, นอัฏฐเจตนาวิตกวิจารปีติเอกคตาสัตินรีวิริยินรีสตินรีสมาธินรีชีวิตินสีย สัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัทธาภิริยภะรัสติภะสมาธิภะริภะริโอตตะปะภะรัโลภะอโทสะอนะพิชฌาอัพยาบาทีบริโอตตะปะกายปัสสธิจิตตปัตสติกายละหุตาจิตตะหุตากายมุทุตาจิตตมุทุตากายกรรมัญญตาจิตกรรมัญญตา กายปาคุณ ญ, ญาตาจิตตปาคุณ ญ, ญาตากายุชุกตาจิตตุชุกตาสติสมถะปะ ค, คาหะและอวิเขปะหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งองอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นเว้นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และวิญญาณขันธ์นี่ชื่อว่าสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลกุศลจิต ด, ดวงที่สี่ หนึสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนจิตที่เป็นกามาวาจรซึ่งเป็นกุศลจะหรคตด้วยโสมนัสวิปยุจจากยานมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงในสมัยใดในสมัยนั้นพรรษาวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลกุจอรจิตดวงที่ห้า หนึสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นชไหนจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรตด้วยอุเบกขาสัมปยุตไิยานมีรูปเป็นอารมมีเสียงเป็นอารมมีกลิ่นเป็นอารมมีรสเป็นอารมมีโผฏฐพะเป็นอารมมีธรรมเป็นอารมหรือปรารบอารมใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้น พัฒสเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารอุเบขาเอกขคตาสัตตินรีวิริยินทรีสตินรีสมาตินรีปัญญินรีมณินทรียอุเปกขินสีชีวิตินรียสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัทธาวิริยภะรัสติภะรสมาธิภะรปัญญาภะรหิวริภะรโอตปะภะร อโลภะอโทสะอโมหะอนัพพิชาอัพยาบาทสัมมาทิฏฐิหิริโอตปะกายปัตสัตติจิตตปัตสัตติกายละหุตาจิตตะระหุตากายมุทุตาจิตตะมุทุตากายกรรมัญญตาจิตตกรรมัญญตากายปาคุณญตาจิตตะปาคุณญตากายยุจุกตาจิตตุชุขกตา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 นี้ชื่อว่าภัรษะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น152เวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนหนความสำราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สำราญทางใจก็ไม่ใช่อันเกิดแต่เจโตสัมผัสแห่งมโนธาตุที่เหมาะสมกันความเสวย อ, อารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวย อ, อารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้น นี่ชื่อว่าเวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น153อุเบขาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็ น, นไฉไรความสํำราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สํำราญทางใจก็ไม่ใช่ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สมุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสติริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้น นี่ชื่อว่าอุเบกขาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น 154, อุเปกินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉไนความสำรานทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สำรานทางใจก็ไม่ใช่ความเสเวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสอิบริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้น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 หรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล155สังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนัยภัตสเจตนาวิตกวิจารณ์เอกคตาสตินสีวิริยินสีสตินสนีสมาธินสีปัญญินสีชีวิตินสีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ สัทธาภะละวิริยะภละสติภะละสมาธิภะละปัญญาภะละหิริภะละโอตตะปะภะละอโลภะอโทสะโมหะอนาปิชาอภพยาบาทสัมมาทิฏฐิหิริโอตตะปะกายปัสสธิจิตตปัตสติกายละหุตาจิตระหุตากายมุทุตาจิตมุทุตากายกรรมัญญตาจิตกรรมัญญตากายปาคุญญตาจิตปาคุญญตา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 สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนันจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลถวารคด้วยอุเบกขาสัมปยุทธด์ดยญาณมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเคเปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลกุตรจิตดวงที่เจ็ด 1นึงตภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉะไหนจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคตรด้วยอุเบขาวิปยุ์จากยานมีรูปเป็นอารมมีธรรมเป็นอารมหรือปรารบอารมใดใดเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารอุเบขา เอกขตาสตินรีวิริยินสีสตินรีสมาธินรีมนินทรีอุเปกขินสีชีวิตินรีสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิศรัทธาภะวิริยภะสติภะสมาธิภะหิวริภะโอตตะปะภะอโลภะอโทสะอนภิชฌาอัพยาบาทหิริโอตตะปะกายปัตสธิจิตตปัตสธิ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 พัสสะเจตนาวิตกวิจารณ์เอกคตาสัตตินสีวิริยินสีสตินรีสมาธินสีชีวิตินรียสัมมาสังกประสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัทธาภะวิริยภะรสติภะสมาธิภะรฮิวริภะโอตปะภะรอโลภะอโทสะอนัิชาอัพพยาบาทหิวริโอตปะกายปัสสติจิตตปัสสติ กายลหุตาจิตตลหุตากายมุทุตาจิตตมุทุตากายกามมัญญตาจิตตากามัญญตากายปาคุณญาตาจิตตปาคุณญตากายุชุกตาจิตตุชุกตาสติสมถธปะคาหะและอวิเขปะหรือสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเองอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นเว้นเวทนาขันตัญญาขันและวิญญาณขัน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 ในสมัยนั้นพัะจะอวิเกคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลกามาวจรมหากุศ ล, ลจิตทั้งแปดดวงจบทุติยพาณวานจบ